ฟังแล้วอย่างนี้นี่แยกแยะอะไรก็ไม่เป็นจับจิตอะไรตัวเองก็ไม่ไม่ถูกนะไม่รู้ว่าตัวเองนี่เพ่งโทษในการฟังแล้วก็ไม่รู้หรือบางคนเนี่ยเอาหูมาฟังก็จริงแต่หูบอดรู้จักหูบอดไหมคือไม่ใช่หูหนวกนะหูบอดหมายถึงว่าได้ยินเสียงอยู่นี่แหละแต่ปรากฏว่าเราฟังไปเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจ เราไม่ได้สนใจบางคนอยู่นะมองไอ้นู่นมองไอ้นั่นคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องงานการเรื่องที่ดินเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขคุณไม่ตั้งใจฟังธรรมเนี่ยคุณมาเนี่ยจริงตัวเนี่ยเหมือนกับมาฟังธรรมแต่จริงๆเราไม่ได้ฟังธรรมเพราะบอกแล้วว่าคุณไม่ได้ทำมาอะไรกลับไปเลยเนี่ยอย่างเงี้เขาไม่เรียกว่าฟังธรรม นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เจ้าท่านถึงได้ตัดว่าพอตั้งใจฟังแล้วเนี่ยท่านใช้คําว่าแค่ตั้งใจฟังนะอันนั้นน่ะแต่พอถัดมาท่านใช้คําว่าฟังทำเลยคราวนี้ไม่ใช่ตั้งใจฟังพูดคุยอะไรต่ออะไรไม่ใช่แค่นั้นแต่ต้องฟังทำแล้วเมื่อฟังทำแล้วคราวนี้ท่านบอกว่าเมื่อฟังทำแล้วย่อมจําธรรมะไว้เพราะว่าบางทีเนี่ย มันขบไม่แตกก็มีขบไม่ออกก็มีนะคิดอะไรก็ยังบางทีฟังทันบางไม่ทันบั่งแต่เราตั้งใจแล้วล่ะเราตั้งใจฟังเอาบางคนที่สมองช้านะอยังอาตม า, าจริงๆอาตมาสมองช้าไม่ไวอะ่ะบางทีเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยนะโอ้โหอ่านบรรทัดหนึ่งประโยคหนึ่งเนี่ยต้องคิดอยู่ตั้งนานเนนะถึงถึงจะค่อยๆทําความเข้าใจได้เป็นคนที่ที่จริงๆแล้วหัวไม่ไหว แต่เรารู้ว่าเออเราเป็นคนอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยพยายามไงคราวนี้ฟังทำพยายามฟังฟังใส่ก็พยายามจดบางทีบางคนจําไม่ได้ทุกวันเนี้เครื่องบันทึกความจําเนี่ยหนึ่งก็ใช้สมองจำสองใช่เลยสองใช้ยานจดอา่าใช้ปากกาบันทึกเอาจำสามใช่เลยนะ เอาเอาเอาเอาวัตถุก่อนเมื่อกี้เนี่ยใช้สมองจำใช้จดเอาใช้อัดเทปใช้วิดีโอใช้อะไรจำแทนเรานี่แบางทีก็เอามาเปิดดูมาทบทวนเนี่ยนั่นแหละเพราะเราก็มีหลายอย่างที่จะเป็นเครื่องช่วยจำนะแต่จะต้องจำเพราะถ้าคุณฟังไปเนี่ยนะจริงจริงเราต้องใช้ความเข้าใจ ยิงเราเข้าใจก็จริงแต่บางทีเราฟังทำไปเนี่ยมันเยอะแยะมันไม่ใช่น้อยอะ่ะเพราะบางทีเราจําไปเนี่ยยิย่งอย่างไหนที่เรายังทําไม่ได้ก็จําไม่ได้อย่างไหนที่เราจําได้เราประทับใจด้วยซ้ําไปนะแต่บางทีฟังต่อไปฟังต่อไปเอา้ามันลืมไปแล้วอะ่ะเอลกี้เนี่ยลืมไปแล้วเอกี้ว่าแหมประทับใจดีนะโอ้โหกําลังก็เรียกว่าอะไรนะเกิดออกอินเหรอเกิดแหมโอ้โหกำลังดื่มดำ แมดื่มดำรถทำอยู่พอดีเลยนะมันไปแล้วมันไปแล้วบางทีอา้าวตายแล้ตายแลขึ้น ค, คุณ ม, มัวดื่มดำอันนี้นี่บางทีเทศไปไหนแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคุณมัวดื่มดำอันนี้นะไอ้อันอื่นก็ไม่ไม่รู้เรื่องอีกละเพราะันบางทีมันก็เลยแบบว่าอา้าวก็เลยต้องมีการจดมีการจํำพวกนี้เพิ่มขึ้นนี่เป็นลําดับนะเป็นขั้นตอนนะที่จะทําให้คุณขึ้นไปถึงการบรรลุธรรมเราะนั้นบางทีนี่หลีไม่พ้นต้องจดจํา อัตรมาเองบางทีก็อย่างเนี่ยต้องมาเปิดหนังสืออยู่บ่อยๆอยากจะจําให้ได้บ้างกันแต่ไม่รู้ทําไมบางทีมันลืมอยู่เรื่อยเลยบางทีเนี่ยมังองคปดเนี่ยพูดอยู่บ่อยพูดอยู่บ่อยนะบางทีเอา้าเอา๊ะ เ, เราก็ว่าเราจําได้แล้วนะลืมอีกแล้วบางทีไล่ชักจะไม่ถูกอีกแล้วคือพอไม่ได้พูดถึงนางนๆเข้าชักจะไล่ไม่ถูกเนเออบางทีก็เอา้เอาต้องไปทบทวนดูบ้างจะได้จําได้จําได้นี่คราวนี้ไม่ใช่จําเพราะว่าเราอยากจะ อะไรอ่ะเราปฏิบัติไม่ได้แล้วเราก็เลยอยากจะจําให้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแต่เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเข้าใจอยู่อ่ะแต่บางทีคุณลําดับไม่ถูกอ่ะ <c oughs> คุณไล่ไม่ถูกต้องอ่ะย่างบางทีบางคนเนี่ยสี่ห้าเนี่ยบอกว่าจําได้ไหมสี่ห้าจำได้จําได้แต่ไล่ไม่ถูกหรอกบางทีเอาข้อต้นมาขึ้นข้อข้อหลังเอาข้อหลังมาขึ้นข้อต้นอะไรเงี้ยยิ่งเราพอจําได้แต่คุณลําดับไม่ถูก นะเพราะฉะันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรลำดับให้ถูกด้วยเพราะฉะั้นมันก็ต้องจำให้ได้แต่ถ้าอย่างไหนเนี่ยเราปฏิบัติได้ด้วยแล้วเราเนี่ยก็มันจดจำไปด้วยเนี่ยโอาคุณจะยิ่งจำแม่นเลยคราวนี้แหละโอกาสลืมนี่ยากมากเลยนอกจากว่าแหมมันไม่ใช้นานปีจนสนิมเริ่มเกาะเออถ้าอย่างนั้นอาจจะฝืดๆบ้างวัรอันนี้ต้องทาซ้าหรือว่าทำบ่อยๆแล้วจะจะ จ, จาแม่น เพราะบางทีมันเป็นคําความมันเป็นภาษาบ้างแต่ความเข้าใจอย่างคนที่เข้าใจในเรื่องศีลห้าแล้วเนี่ยจะให้เขาไปทําผิดศีลห้าไหมเขาไม่ทําผิดศีลห้าแล้วแต่บางทีเนี่ยจะให้มาพูดมาลําดับแล้วมาบอกสอนเคาอื่นบทีทําไม่ได้มันขนยีก็แหมจะเสียประโยชน์ไปนะจริงๆแล้วควรที่จะสามารถที่จะแนะนําบอกคนอื่นได้ดีกว่านี้อีกแต่เราจําข้อความจําภาษาอะไรพวกนี้ไม่ได้มันก็แนะนําบอกกล่าวคนอื่น หรือเป็นธรรมทานให้คนอื่นมันทําไม่ได้ไปแล้วเพราะเราเราจะพลาดโอกาสพวกนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องจําธรรมะเอาไว้ด้วยนะโดยเฉพาะคราวนี้จำอันนี้เขาไม่ไม่ใช่จําภาษาแล้วจาสิ่งที่เราจะต้องทําจําสิ่งที่เราจะต้องทําเนี่ยจำธรรมะไว้เนี่ยคือจําสิ่งที่กูจะต้องทํายกตัวอย่างบางคนอยู่สามมาตั้งตะบากอาตมมา พอถามจําได้ไหมตั้งธบอะไรไปจําไม่ได้อาตมาบอกโถเอ้ยคุณมาตั้งธบาแล้วคุณจําไม่ได้แล้วมันจะไปมันจะไปแก้อะไรได้ล่ะเนี่ยก็คุณเป็นคนตั้งเองแล้วคุณยังจําไม่ได้เนี่ยน้ำต้องจําไม่ได้ด้วยสิเพราะเนี่ยจาในสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติอะคราวนี้ไม่ใช่จาหัวข้อทําอะไรแล้วนะไม่ใช่จำว่าเออปานาติปาตาเบรมันนีตามเวลาคุณจําภาษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเอา แต่คุณต้องจําเนื้อหาสาระของธรรมะนั้นให้ได้อันเนี้ยคุณต้องจําให้ได้สิคุณจําธรรมะแบบนี้ไว้ไม่ได้แล้วคุณจะปฏิบัติได้อย่างไรคุณจําอันนี้ไม่ได้เพราะอันนี้เป็นเนื้อๆแล้วอันนี้เป็นแก่นนะเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญคือจําเนื้อหาอ น, นี้ให้ได้นะเอาต่อไปพอจําได้แล้วคันนี้ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่จําไว้แล้ว พูดง่ายๆสันส้นๆคือเมื่อเราจำธรรมะอันนั้นไปแล้วเนี่ยต้องเอามาพิจารณาเนี่ยคือข้อลำดับเพราะฉะนั้นเยอะแยะเลยพวกที่สอนคนก็ได้จำข้อความพระพุทธพจน์ก็ได้นะบางทีเนี่ยพ่อท่านสอนอะไรมาอเอามาเทศจามาบอกคนอื่นได้หมดเลยแนะนาก็อื่นได้หมดเลยแต่จริงๆแล้ว ไม่เคยเอามาพิจารณาคำว่าพิจารณาตัวนี้สำคัญมากพิจารณาตัวนี้ไม่ใช่พิจารณาแคออ่อะไรนะมนุษย์โสแปลว่าผู้ประเสริฐ <laughs> พิจารณาโดยจนิจที่เรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นไปตามตัวบทของมันเนี่ย พิจารณานี้ไม่ใช่พิจารณานี้คือตะกี้อาตมาเน้นแล้วนะบอกต้องจําเนื้อหาในการปฏิบัติใช่ไหมในการที่จะเอาไปประพฤติให้ได้เมื่อคุณเอาไปประพฤติคุณเอาไปปฏิบัติเนี่ยต้องพิจารณาเพราะพิจารณาี่พิจารณาการปฏิบัติเนี่ยพิจารณาทำทำที่เราทรงจําไว้น่ะอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะถือศีลห้าใช่ไหมเอาคุณจําได้ละศีลห้าข้อมีอะไรบ้างคุณจําได้ละแต่คุณต้องเอามาพิจารณาสิ แล้วต่นี้จะเกิดการพิจารณาเนี่ยมันมีเกิดก่อนกระทํากับกําลังกระทําแล้วก็หลังจากที่ทําไปแล้วการพิจารณาจะเกิดจากสามลาักษณะก่อนจะทำเนี่ยก็คืออย่างเช่นเอ้ศีลห้าเนี่ยนะเราศรัทธาละเราเชื่อว่าปฏิบัติไปแล้วดีแน่แต่อย่างศีลข้อที่หนึ่งนะละเว้นการฆ่าเบียดเบียน ชีวิตคนและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเอาละเรารู้เราเข้าใจแต่คุณเคยเอามาพิจารณาไหมเพราะฉะนั้นคนจํานวนมากที่ไม่เอาสิ่ข้อหนึ่งเนี่ยมาพิจารณาเพราะฉะนั้นเขาไม่ฆ่าเองเขาก็ยังให้คนอื่นฆ่าให้เขาได้หรือเขาไม่ได้ให้คนอื่นฆ่าแล้วแต่เขายังกินเนื้อสัตว์ที่คนอื่นฆ่ามาให้เขาอยู่เนี่ยถ้าขาดการพิจารณาเนี่ยคนนั้นก็ยังกินเนื้อสัตว์ได้สบายมากเลยแล้วเขาก็ไม่คิดว่า มันจะผิดศีลอะไรต่อเมื่อเมื่อคนนี้มาพิจารณาถึงจะรู้ว่าเออจริงด้วยสินะถ้าเรายังกินเนื้อสัตว์ที่คนอื่นเขาฆ่ามาให้เราอย่างเงี้ยเราไม่ทำผิดศีลเราก็ให้คนอื่นทำผิดศีลให้เราเพราะเรายังกินเนื้ออยู่เนี่ยเราไม่ผิดศีลเองแต่เท่ากับละเราให้คนอื่นมาผิดศีลแทนเราถูกไหมใช่หรือเปล่าเพราะเพราะเราไม่ไม่ยอมผิดศีลเองเรารู้ว่า ค่าสัตว์ตัดชีวิตนี่มันมันบาปมันผิดศีลขาดแต่เรายังกินเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยก็เนื้อสัตว์นี้ต้องค่าเป็ดค่าไก่ปลาปูกุ้งหอยอะไรมาเนี่ยเพราะเราไม่ยอมผิดศีลแต่เราให้คนอื่นเนี่ยผิดศีลให้เราเพราะเรายังจะกินที่เขาไปทําปาณ า, าติบาสมาเห็นไหมเราเริ่มพิจารณาถ้าเราพิจารณานี้จเออใช่สิถ้าเรายังทําอย่างนี้อยู่เนี่ยนะเราไม่ผิดศีลโดยตรง คือเราไม่ได้เป็นคนทํำสินี้ให้ขาดเองแต่โดยอ้อมเอา้าเราก็ให้คนอื่นสีนขาดเพื่อเราเนี่ยเอา้าถ้าอย่างนี้มันจะไปถูกต้องได้ไงมันจะไปเข้าท่าได้อย่างเงวันพอพิจารณาอย่างนี้เราก็เออถ้าเราไม่กินเนื้อซะเราละเว้นซะนะก็ไม่ต้องให้คนอื่นเนี่ยมาผิดสีนเพื่อเราคนนี้พิจารณาอย่างนี้ได้เขาก็เออไม่ต้อง ไปกินเนื้อสัตว์ที่จะต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเนี่ ย, ยคือการพิจารณาธรรมนะเมื่อพิจารณาธรรมแล้วอย่างนี้นะเนี่ยท่านใช้คําว่าพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่จํามาไว้นั่นนะที่เราทรงเอาไว้ที่เรามีไว้พอทําได้แล้วเนี่ยทำทั้งหลายย่อมทนได้ซึ่งความพิจารณานะทำมาทั้งหลายเนี่ยนะ ท, ที่เราพิจารณาเนี่ยย่อมย่อมทนได้ นะทนได้ซึ่งการพิจารณาคือไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวว่าแม้พิจารณาหนักเกินไปเดี๋ยวธรรมะจะบอบช้าหมดนี <c oughs> ่พูดภาษาอาตมานะคือไ ม, ไม่ต้องไปห่วงกังวลประเด็นพวก น, นี้คุณพิจารณาให้หนักๆเลยนะเอาให้เต็มไม้เต็มมือเลยพิจารณาลงไปนะอย่า ก, กลัวเลยส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่ค่อยกล้าพิจารณามากเพราะเ ด, ดนนะเดี๋ยวอดกิน่ะเดี๋ยวอดกิน นั่นเลยไม่เคยกล้าพิจารณาเท่าไหร่คือพิจารณามากกว่า น, นี้เดียวเนี่ยนี่ก็อดมาหลายอย่างแล้วนะตอนเนี้ยคือพิจารณามากกว่า น, นี้เดี๋ยวอดมากกว่านี้นี่จะอะไรอ่ะอดอยากปากแห้งเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเลยหยุดพิจารณาก่อนนั่นส่วนใหญ่จะกลัวแบบนี้แหละก็เลยไม่อยากพิจารณาต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยจะทนต่อการพิสูจน์ทนต่อการพิจารณาถ้าเป็นสัจจะเป็นของแท้แล้วคุณพิจารณากี่รอบ คุณพิจารณาไปกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งออกมาเหมือนเดิมเนี่ยคนทนต่อการพิสูจน์ถ้าชัดเจนว่าการที่เราเลิกไม่กินเนื้อสัตว์ได้แล้วใช่ไหมเราไม่สิ้นขาดเองไม่ต้องให้คนอื่นสิ้นขาดเพื่อเราได้คุณชัดเจนคุณพิจารณาอีกร้อยครั้งอีกพันครั้งเท่าไหร่ออกมาเหมือนเดิมคําตอบไม่มีเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นสัจจะคือสัจจะ สัจจะคือสัจจะมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้พุทธเจ้าถึงใช้ว่าสัจญานี้มีหนึ่งเดียวจะไม่มีสองอย่างถ้าอะไรเป็นสัจจะแล้วคุณพิ จ, จารณายัางไงออกมาเหมือนกันอย่างเดียวกันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าผิดก็คือผิดจะมาบอกว่าไอ้อย่างเนี้มันผิดิดถูกผูกนะไม่มีผิดก็คือผิดถ้าอย่างนี้คือถูกก็คือถูกจะเป็นอย่างนั้นเลยและเนี่ยคือคือสัจจะ พราะใครเนี่ยพิจารณาธรรมะชัดเจนมากเข้ามากเข้าเนี่ยเขาจะมาบอกคุณได้เลยเรื่องความดังเลเรื่องความสงสยัยเรื่องอะไรคุณจะลดลงไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยเพราะคุณจะชัดเจนในสิ่งที่คุณประพฤติสิ่งที่คุณกระทาอยู่คุณไปผ่าศรับอะไรคุณไปเจออะไรเนี่ยนะคุณจะตัดรอบได้ง่ายขึ้นเรื่อยง่ายขึ้นเรื่อยจะไม่งุนงงสงสยัยไม่สับสนวนเรอะไรนั่งดอกมันจะง่ายแล้วยิ่งพิจารณายิ่งเก่ง ยิ่งพิจารณาเนี่ยปัญญายิ่งเกิดยิ่งมากเพราะฉะนั้นยิ่งพิจารณามากเข้ามากเข้าโอ้โหคุณตัดรอบได้ไวมากเลยแต่ก่อนเราเคยทุกข์เพราะเรื่องนี้นี่นะโอ้โหหลายวันกว่าจะเอาไอ้นู่นกว่าจะเอาไอ้นีมาอะไรอะมาหมักหมักมาบกบกปิดปิดให้เราลืมลืมซะอะไรเงี้ยนะโอ้โหต้องหลายวันนะกว่าจะลืมไอความทุกข์นั้นได้แต่พอคุณพิจารณาได้เก่งโอ้โหมันเห็นมันเข้าใจความจริงเนี่ย ได้ง่ายแล้วมันก็ตัดออกไปได้เร็วเลยนะเหมือนมีมีดคมๆแหมมาเฉือนเนื้อร้ายออกไปได้อย่างรวดเร็ ว, รวหายเร็วโรคจะหายเร็วความทุกข์ความเจ็บปวดทรมานนั้นน่าจะสิ้นสุดจากเราเนี่ยอย่างว่องไวเลยอันนี้พอพิจารณาธรรมะแล้วความยินดีย่อมเกิดประเด็นนี้มาพยายามพูดตั้งแต่อาทิตย์แล้วๆมาแล้วนู่นถึงได้พูดเรื่องอิธิบาทให้เราฟังอ่ะ เนี่ยเห็นไหมถ้าคุณตั้งตาบะหรือคุณถือศีลอะไรไปแล้วคุณทําได้แล้วคุณไม่มีความยินดีเกิดขึ้นเน่ะเดี๋ยวคุณไม่นานหรอกเดี๋ยวคุณก็เลิกคุณไปไม่รอดเพราะปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณพิจารณาแล้วคุณรู้สัจจะคุณเห็นจริงว่าเออเออเราไม่ไปติดอย่างนี้เหมือนเก่าแต่ก่อนเคยติดกาแฟไอ้เือ๋นี่เราไม่ติดกาแฟโอ้โหมันสบายกันตั้งเยอะเลยนี่แต่ก่อนเราเคยติดเนื้อสัตว์ เดี๋ยนี้เราไม่ติดนสัตว์โอ้โหสบายกับเก่าเยอะเลยแต่ก่อนเราเคยกินหลายๆมือกินจุบกินจิบโอ้โหวุ่นวายหนะ้าดูเลยอย่างนี้เราไม่จุบจิบได้โอ้โหมันสบายอย่างนี้เหรอนะ้ท้องไส้ก็บสบายอย่างนี้นะ้กระเพาะเราก็แหมรู้สึกเบาๆดีนะมันไม่ต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายโอ้โหใจเราก็สงบไม่ไม่ฟุ้งซ่านเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเห็นอะไรนะ้กินอะไรลอยมาเนี่โอ้โหนะมัน จะคุ้มคั่งฟังเ ฟ, งฟือน <c oughs> กินอะไรรลอยมาไม่ได้รู้สึกหิ ว, วหิวแวอยากจะกินอีกแล้ว <c oughs> โอ้เดี๋ยวนี้ลองสปายเลยไม่เหมือนเดิมเลยเ <c oughs> นี่ยยังมีปิติมันมีความยินดีพวกเนี้ยในสิ่งที่เราทําคุณทําได้น้อยคุณก็มีปิติน้อยตามที่คุณทําได้อ่าไม่ได้ทาได้นิดนึดนงโอ้ปิติใหญ่เลยนะก <c oughs> ็อาจจะเบื่อเกินไปถ้าอย่างนั้น <c oughs> เราก็ปิติตามความเป็นจริงของเราเนี่ยแหละมีความยินดีตามความจริง โอ้ oh, mm hmm. อันนี้โอ้โหนี่แต่ก่อนไม่เคยทําได้เลยนะแต่ก่อนไม่เคยคิดเลยว่าจะเลิกกินเนื้อสัตว์ได้อู้หูเดี๋ยวนี้เราเลิกได้แฮ mm hmm. เออกินแล้วก็ดีแฮะสบายดีจิตใจก็ดีร่างกายก็ดีแม่มีความสุขมากเลยเนี่ยมันมีความยินดี mm hmm. เมื่อมีคุณมีความยินดีอย่างเงี้ยคุณอยากจะทําต่อคุณอยากจะทําไปเรื่อยเื่เพราะว่ามันเป็นความสุขอะถ้าคุณตั้งตาบะไป ใช่ไหมสมมไม่กินมื้อเย็นปรากฏว่าโอ้โหหิวเยนะหิวเลนะตอนเนี้หิวเลยนะนะนนนะเสร็จก็คิดเนียนะไม่น่าตั้งเลยตั้งแล้วก็หิวอย่างนี้แหละกูนึก ค, คิดอยู่แต่อย่างเงี้ยนะกูนึคิดดูทีโอ้โหยิ่งโดนเพื่อนแกล้งด้วยนะเพื่อนรู้ว่าเราตั้งตะบะแล้บางนะทีเนี่ยนั่นอาบาปนะคนนั้นรู้ว่าเพื่อนตั้งตะบะนี่ก็เลยยิ่งแหมเอามาใหญ่เลยนะ เอามาโชว์ามาอวดนี่นี่นี่อร่อยนะอร่อยนะยี่วะกวนกิเลสเรานะเสร็จแล้วเราก็ยิ่งโอ้โหทรมานโอ้โหยิย่งคิดนะคิดแหมเราคิดผิดไปท่านมาเราไม่น่าตั้งเลยคือคุณคิดมุมลบอะ่ะคุณคิดไอความไม่ยินดีอะ่ะชักจะไม่ยินดีชักจะไม่พอใจโอ้โหไม่หน้าตั้งเลยหลวมตัวไปได้ยังไงนะเนี่ยไม่น่าไปฟังเทศท่านเลย <c oughs> <c oughs> นะสมมตว่า พอเราอย่างนี้เนะี่ยจิตมันไม่ยินดีจิตมันไม่ยินดีเดี๋ยวคุณก็ล้มเดี๋ยวคุณก็เลิกรับรองเลยหรือคราวนี้ต่อให้คนนั้นทําได้นะก็ฟื้นใจไปพยายามฟื้นใจไปนะแต่คุณทําได้ด้วยความไม่ยินดีคุณฟังดูให้ดีปรากฏว่าเย็นนั้นคุณไปรอดคุณไม่กินนะเพราะว่าแหมอดทนได้เก่งเหมือนกันคราวนี้ก็อดทนไม่กินนะยังไงไม่กินเพราะนั้นก็รอดไปได้วันนั้น นะตอนเช้าค่อยรียบกินก็ไดนะ้แต่ตกค่ำนะตกเย็นนั้นลอดไม่กินแต่คุณไม่มีความยินดีเลยนะคุณรู้สึกทุกคุณรู้สึกเหนื่อยหนักคุณรู้สึกลำบากคราวนี้เนี่ยคุณทำตะบาได้ก็จริงแต่ตบ่าของคุณตอนนี้คุณเก็บกดเหลือเกินคุณเก็บกดมากเลยน่นะระวังนะใครเนี่ยทำตะบาแบบนี้ไประวังเฮ้อบางคนนี่นอนไม่หลับเลยนะ ปรากฏว่าอดข้เย็นเนี่ยนะน้อยไม่หลับลุกขึ้นมาเดินไปเดินมาหงุดหงิดเผลอเผอบางทีไปเปิดวิทยุไปเปิดโทรทัศน์คือหาทางแก้เหมือนกันนะแต่ว่าจะฟังเพลงจะดูหนังดูละครอะไรเนี่ยดูแต่ตาคือตาดูดูดูทีวีแต่จิตเนี่ยก็ดูไป ก, ยไกย็ยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยคือท่านอย่างเงี้ยเซตมันเก็บกดเอาไว้ นะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไปไม่รอดหรอกเอาเอาละเอาต่อให้รอดว่าสมมติว่าบางคนจะตั้งตาบ่าว่าเอาเจ็ดวันนี้นะเจ็ดวันนี้นะตั้งจบาบะงดข้าวเย็นไม่กินข้าวเย็นคุณทําไปจนได้ครบเลยเจ็ดวันแต่มันเก็บกดไปเรื่อยเลยทุกวันเลยนะเก็บกดไปเรื่อยเลยคุณเชื่อไหมพอพอ้นเป้งอนาตมาเคยบอกให้หลายคนฟังเปง้งพ้นเที่ยนคืนแล้วของวันที่เจ็ดโอ้โหนี่ผาอะไรกินทันทีเลยละ่ะ คุณอย่าบอกใครเลยบางคนเก็บกดไว้ถึงขนาดนั้นนะโอ้โหมันจะระเบิดตูมตามชนิดแหลกลานเลยแหละเผลอๆนะไอ้ที่เจ็ดวันนะะปกตินะถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ย ก, กนนนนะินไม่มากหรอกบางทีคนนั้นเน่ะกินไม่มากหรอกแต่ความเก็บกดที่กดดันเอาไว้เนี่ยพอเป้งสิ้นสุดวันที่เจ็ดนะโอ้โหมันเนี่ยกินเยอะกว่าไอ้เจดวันรวมกันอีก <c oughs> คือมันเก็บกดไว้มากเนี่ยสภาพนี้แหละคือปฏิบัติทำไปแล้วไม่มีความยินดี ไปไม่รอดเพราะคุณจําไว้ให้แม่นเลยคุณจําไว้ให้ชัดถ้าคุณปฏิบัติธรรมไปแล้วคุณไม่มีความยินดีคุณไปไม่รอดเพราะหลายคนบางทีมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เนี่ยมาฟื้นมาข่มามาฟื้นมาข่มโดยที่หาความยินดีไม่ได้เลยไม่รู้จักสร้างความยินดีอย่างเช่นงดข้าวเย็นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เราไม่ได้กินข้าวเย็นละสมมติว่าเรากินมื้อเดียว่สมมตินะโอ้โหตอนนี้เรากินมื้อเดียวได้โอ้โหเนี่ยนะ พุทเจ้าท่านตรัสว่าคนที่ถือสิ่งข้อที่หกพูดง่ายนะวิการโพชนาไม่กินมื้อเย็นได้นี่โอ้โหกาลังจเจริญตามรอยเท้าพระอาหารหันแล้วนะทำไมไม่รู้จักคิด <c ười> คือคิดที่จะสร้างปิติสร้างความยินดีออบอกโอ้โหเนี่ยพ่อท่านก็นทำได้สมมาณะท่านก็นทำได้หละคนทำได้โอ้โหเนี่ยเรากาลังกำลังทำได้อย่างพ่อท่านทำแล้วนะ กำลังทําได้อย่างสมณะสิกมากหลายๆคนในวัดนี้ก็ทําได้นะคือไม่รู้จักฉลาดในการที่จะสร้างความยินดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยนะตอนที่คุณสู้อยู่คุณสู้อยู่เนี่ยมาถามคุณเถอะคุณตั้งตาบาสเนี่ยตาบาสเนี่ยมันสู้กับอะไรสู้กับกิเลสใช่ไหมกิเลสเนี่ยคือเรื่องอะไรคุณสู้กิกเลสเนี่ยคุณคุณสู้แบบต้องฝืนใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็ต้องลําบากมันก็ต้องทุกข์ถูกไหมอ่ะ แล้วคุณสู้กับกิเลสเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าต้องต้องฝืนต้องลำบากมันไม่ได้น่าจะเป็นความสุขอยู่แล้วอะ่ะอ่าเสร็จแล้วตอนนี้คุณดูนะคุณสู้ไปแล้วก็มันฝืนแล้วก็ลำบากแล้วคุณก็ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นทั้งอยู่แล้วคุณก็คิดแต่โอ้โหทุกทุกทุกแล้วคุณจะเอาอะไรมามาต้านากับกิเลสแหะเพราะว่าคุณกำลังสู้กับกิเลสใช่ไหมจริงๆอ่ะคุณต้องการให้กิเลสเนี่ยมันดับไป คุณต้องการให้ใ ห, ให้ให้ทุกข์จากกิเลสเนี่ยมันดับไปแต่ปรากฏว่าคุณสู้ไปคุณสู้ไปเราบอกว่านี่นะเราไม่กินข้าวเย็นเนี่ยนะเรากำลังทุกข์อยู่ทุกข์เพราะเราไม่ได้กินข้าวเย็นวันถ้าเรากินข้าวเย็นเนี่ยเราก็จะพ้นทุกข์ <c oughs> เอาแล้วนะ่าเริ่มเริ่มมาเยอะอ่านี่ถ้าคุณไม่ไหวทานนั้นเยอะคุณกินเลยล่ะเพราะมันกลายเป็นถ้าคุณไม่รู้จักสร้างปิติในธรรมะขึ้นมา ไอ้ความสุขเก่าๆความยินดีเก่าๆที่คุยที่คุณเคยจําว่ากินข้าวเย็นแล้วคุณถึงจะมีความสุขซึ่งคุณมีฝังหัวคุณเยอะแยะไปหมดแล้วอ่ะคุณกินข้าวเย็นมาจนเคยชินเนี่ยความสุขที่คุณเคยกินเนี่ยนะซึ่งคุณมีอยู่เยอะเนี่ยคุณคิดดูสิคุณไม่มีความยินดีความสุขที่เป็นทางธรรมะที่เอดมันนะงดมันนะลดละมันได้นะมันเป็นความสุขแบบทางโลกุตระไม่ใช่แบบทางกิเลส ถ้าคุณไม่มีความสุขอย่างนี้เข้าไปต้านเข้าไปสู้เข้าไปไล่ไอความสุขแบบโรคๆแบบโลกีคุณจะไปชนะอะไรอะ่ะคุณจะเอาความยินดีอะไรไปชนะกับไอความยินดีของกิเลสแหะซึ่งจริงๆเนะี่ยมันโอ้โหก้อนเบื้อเริ่มเทิมเลยนะที่เราสะสมมาไว้เนี่ยวันใครปฏิบัติ ท, ทําไปแล้วไม่มีความยินดีใหม่ความยินดีจากธรรมะที่เกิดขึ้นจากเราปฏิบัติได้คุณไม่มีตัวนี้ยืนยันได้เลยคุณไปไม่รอด เดคุณก็ต้องเลิกปฏิบัติเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างความยินดีให้ได้นะเมื่อยินดีย่อมเกิดเนี่ยความยินดีย่อมเกิดย่อมอุตสาหะใช่ไมนี่ น, นี่นี่เข้าอิธิบาทเลยนะตอนนี้เพวันฉันทะมาเป็นตัวนำใช่ไหมในการที่จะต้องมีความยินดีในสิ่งที่เราทํานั้นแม้ว่ามันจะเหนื่อยจะหนกักจะลําบากจะฝืนใจยังไงคุณต้องสร้างความยินดีหรือคุณต้องหาความยินดีในสิ่งนั้นให้ได้ พอคุณสร้างความยินดีได้ปั๊บความอุตสาหาจะตามมาก็คือตัววิริยะนั่นเองตัวความเพียรเพราะเมื่อคุณมีความยินดีหรือคุณมีความสุขในการทําสิ่งนั้นแม้มันจะเหนื่อยโอ้โหเหงื่อตกซกซ ก, ก, กแม้มันจะหนักนะแต่ถ้าคุณมีความสุขในการทําอย่างนั้นคุณยังจะขยันทําต่อไปแต่ถ้าคุณทําอะไรคุณไม่มีความยินดีคุณฝืนใจยอยู่อย่างเดียวเท่านั้นอัตมาบอกเ่าใที่สุดคุณจะเลิกขยัน หรือคุณจะเลิกอุตสหาหะที่จะทําในสิ่งนั้นเลิกแน่นอนวันถ้าอยากทําสิ่งนั้นให้ได้ให้ได้ยาวไกลให้ได้สืบเนื่องต่อไปคุณต้องสร้างความยินดีให้ได้เพราะตาบใดคุณยินดีพอใจในสิ่งนั้นคุณจะขยันทําในสิ่งนั้นแล้วเมื่อขยันแล้วกว่านี้นะย่อมไต่ตองย่อมตั้งความเพียรใช่ไหมนี่เป็นตัวที่สี่ใช่ไหมตามมาเลยไต่ตองเนี่ย ตัวอะไรวิมังสานะมันจะเกิดตัวไต่ตองเพราะว่าลมื่กีตัวจิตตะเราบอกแล้วตตั้งใจตั้งแต่ตอนต้นๆนั น, น, นมาแล้วเห็นไหมเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยนี้ไม่พ้นว่าคุณต้องเอามาทบทวนคุณต้องเอามาไต่ตองนี่ใช้คําว่าย่อมไต่ตองนะย่อมตั้งความเพียรเนี่ยพอพอพอย่อมไต่ตองเนี่ยมันย่อมตั้งความเพียรคือคือพอเราไต่ตองเราพิจารณารำอะไรไปแล้วเนี่ยลมือกี้อาตมาบอกแล้ว คุณจะมีว่าคุณคิดก่อนก่อนทำคุณคิดก่อนทำเนี่ยพอคุณยินดีคุณพอใจคุณก็จะกล้าลงมือทำพอตอนที่คุณทำอยู่เนี่ยมันจะลำบากลมันจะหนักเหนื่อยจะต้องฝืนใจคุณก็จะต้องมีความยินดีว่าเออสู้สู้ตราบใดเรายังสู้ได้อยู่นี่แสดงว่าเราไม่แพ้ตราบใดคุณยังสู้กิเลสอยู่คุณยังไม่แพ้นะอาจจะล้มบ้างบางทีโอ้โหตั้งแต่บาไปแล้วนี่ล้มนะแต่คุณก็ยังสู้อีก ยังสู้อยู่อีกเพราะฉะนั้นคุณยังไม่แพ้หรอกตราบใดที่สู้อยู่ตราบนั้นไม่แพ้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีความอ่าพอในขณะที่ทําอยู่แล้วก็มีการพิจารณาเห็นไหมหลังจากที่คราวนี้เราสู้ไปแล้วเราก็จะมีชนะบ้างแหละอ่าพอเราชนะขึ้นมาครั้งไหนเราก็ยิ่งมาทบทวนมาไต่ตองโอ้โหยิ่งภูมิใจเลยโอ้อหเราก็ทําได้นี่เราก็ เป็นคนเก่งเป็นคนกล้าคนหนึ่งนะที่สามารถเอาชนะกิเลสเราได้เหมือนกันแม้ว่ามันยังไม่เด็ดขาดทีเดียวแต่เออคราวนี้เราชนะได้เพราะคราวนี้เป็นการพิจารณาหรือไต่ตองที่จะสร้างความยินดีเมื่อเราชนะแล้วยินดีพอใจแล้วเมื่อยินดีพอใจเราอย่างเงี้ยเราไต่ตองแล้วเราชนะได้เนี่ยใช่ไหมย่อมตั้งความเพียรคราวนี้ดูนะจริงๆก็อุตสาหานั้นก็ต้องขยันแล้วนะ ย่อมตั้งความเพียรคนนี้ย่อมตั้งความเพียรเมื่อมีตนส่งไปดีแล้วย่อมทำให้แจ้งชัดเห็นมตั้งความเพียรคนนี้นี่มันตั้งความเพียรที่เราจะยิ่งเลื่อนฐานเรายิ่งขึ้นไปอีกคือคุณทำอะไรได้แล้วเนี่ยคือพอเราเพียรอะไรเนี่ยเราก็ทำทำทำจนชนะใช่ไหมจนเราได้จะไม่มีการหยุดอยู่พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าปฏิบัติมาถูกทางแล้วเนี่ย ไม่มีหยุดอยู่ในกุศลธรรมจะไม่มีเด็ดขาดในหลักการของศาสนาพุทธคุณทำได้แล้วเนี่ยมันจะมาตั้งความเพียรใหม่อีกที่จะเลื่อนฐานของเราเนี่ยให้ขึ้นไปอีกอย่างเช่นเราเลิกกินเนื้อสัตว์มาได้แล้วอ่าคราวนี้ทำจนได้แล้วโอ้โหสบายใจแล้วภูมิใจแล้วเรากินเจเรากินมังสวิรัตได้ละแต่มันยังมีว่ากินมังสวิรัตได้ก็จริงแต่มันยังมีฐานสูงไปอีกว่าว่าอย่างไง แค่กินบังสวิรัติเฉยๆเหรอนะมันยังมีเรื่องอร่อยเรื่องเรื่องติดจํานวนติดปริมาณติดอะไรต่ออะไรใช่ไหมเรายังเออกินบางสวิรัติได้กินเจได้เลิกเนื้อสัตว์ได้แต่เรายังติดรสชาติติดต้องกินเยอะๆอะไรงนี้เออเรายังมาฝึกอีกเนี่ยมันจะมีการตั้งความเพียรใหม่เข้าไปอีกมันการตั้งความเพียรอันนี้เนี่ย หลังจากที่เราพิจารณาไต่ตองแล้วเราก็จะขยับฐานสู้ใหม่ศินห้าเราได้แล้วเราก็จะเริ่ม เ, เดี๋ยวเอาหกเจ็ดแปดเนี่ยเราต้องเพิ่มต้องเอาให้ได้เนี่ยจะมีการตั้งความเพียรใหม่หลังจากที่เห็นไหมท่านใช้คําว่าเมื่อส่งตนไปดีแล้วเนี่ยเพราะฉะเราดีขึ้นมาขนาดนึงแล้วแต่ยังดีไม่พอยังมีดีกว่านี้ขึ้นไปอีกนั้น น, นี่ถึงท่านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเพราะว่าถึงตรงนี้เนี่ยท่านบอกว่า เมื่อมีตนส่งไปดีแล้วย่อมทําให้แจ้งชัดพราะคําว่าทําให้แจ้งชัดนี่ก็หมายถึงชัดเจนหรือว่าถ้าปฏิบัติจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็คือบรรลุธรรมก็คือชัดแจ้งละคือตัสรู้ได้ละนะซึ่งความจริงอย่างยอดเยี่ยมด้วยกายนะคือคือเราจะแจ้งชัดซึ่งความจริงอย่างยอดเยี่ยมด้วยกายและย่อมแทงตลอดเห็นแจ้งซึ่งความจริงอย่างยอดเยี่ยมนั้นด้วยปัญญาคือนี่แหละ ปฏิบัติไปแล้วไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจของเราทางจิตนั่นเองคุณปฏิบัติเป็นขั้นตอนมาอย่างเนี้ยจนถึงถึงบอกว่าเนี่ยตั้งความเพียรเพิ่มทำขึ้นไปเรื่อยๆอีกเนี่ยในที่สุดแล้วนะคุณจะรู้แจ้งเห็นจริงทั้งทางทางกายเราเราก็ทําได้กายกรรมเนี่ยก็ทําได้ทั้งทางจิตของเราเนี่ยไม่กดขม่มไม่ไปฝืนไม่ไปต้องไปทนทรมานอะไรไม่แล้วจิตเรานี่ก็ได้อย่างสบายด้วย เดี๋ยวนี้กินบังสวิรัติโอ้สบายมากเลยไปเห็นเขากินเนื้อสตัตว์เราเคยติดอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้สบายมากมาทําให้เราทุกข์ทำให้เราหวนกลับอย่างนั้นอีกไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเนยคือมันได้ทั้งกายด้วยนะได้ทั้งทางใจคือได้ทั้งทางปัญญาด้วยถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนที่รู้แจ้งหรือเห็นจริงได้เนี่ยต้องด้วยปัญญาถึงที่สุดเพราะคนที่รู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนแล้วด้วยปัญญาเท่านั้นเนี่ ถึงจะไม่หวนกลับไปเรื่องเก่าๆที่เป็นกิเลสนั้นอีกเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเนี่ยเข้าใจตรงนี้ได้นะลองลองไปลําดับใหม่นะไปลําดับขั้นตอนจริงๆเนี่ยอาตมาเคยสอนไปนานแล้วมีอยู่พระสูตรหนึ่งนะเคยสอนไปนานแล้วแต่อันนั้นอันนั้นไม่มีใต้เคียงอันนี้นะแตกต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะมันจะเป็นลําดับอันนั้นสูตรนั้นอาตมาเคยมาสอนใช้ใช้ว่าการบรรลุการบรรลุสัจจะ หรือการบารรลุธรรมนั่นเองเนี่ยก็จะลำดับแบบนี้แหละเป็นขั้นตอนไปนะนวันนี้สรุปฝากว่าถ้าเราเองเนี่ยอยากปฏิบัติธรรมให้สาเร็จแล้วก็ให้ได้มรรคผลเกิดขึ้นได้อย่างมีความสุขความเจริญจริงๆแล้วนะพยายามลองไปลำดับขั้นตอนพวกนี้แล้วนะก็ทำให้เกิดกับตัวเองขึ้นมาถ้าเราทำได้นะยืนยันกับคุณได้เลยว่าคุณจะพัฒนาตัวเองเเจริญขึ้นเรื่อยๆ ความทุกข์ที่มีอยู่จะหมดลงไปหมดลงไปหมดลงไปความสุขความจเจริญในชีวิตเราจะมากขึ้นมากขึ้นแล้วคุณถือศีลปฏิบัติทำอะไรเนี่ยคุณจะทําได้มากขึ้นโดยที่คุณนี่จะมีจิตยินดีนะจิตที่เราเรียกว่ า, าบร ม, มสุขหรือคือเป็นความสุขในโลกุตละธรรมเนี่ยคุณจะได้มากขึ้นมากขึ้นอะไรที่หลายอย่างที่เราเคยติดและทําให้เราทุกข์เนี่ยสิ่งเหล่านั้น จะไม่สามารถมาสร้างปัญหาไม่สามารถจะมาสร้างความทุกข์ให้เราได้อีกเลยถ้าคุณทำได้จริงนะอ่ะวันนี้ของพอานีนะ